การมาทำะหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรื่องของสมาธิซึ่งจะเป็นการศึกษาแบบทำให้สิ่งยากเนี่ยให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าในอดีตการทำสมาธิมันเป็นเรื่องอยากเย็นเข็นใจ แท้ที่จริงนั้นเรื่องของการทำสมาธิง่ายมากแต่การที่จะง่ายได้นั้นมันก็ต้องมีวิธีการเมื่อใช้วิธีการถูกต้องแล้วมันก็เป็นเรื่องของความง่ายเกิดขึ้น <c oughs> แต่การที่เราจะรู้สิ่งต่างๆให้ง่ายขึ้นนั้นมันก็ยากสักก่อนสักหน่อย ยากตรงที่ว่าเราจะต้องทบทวนค็หมายความว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในข้อปรีกย่อยและข้อหลักข้อหลักก็คือว่าข้อกำหนดตามข้อเป็นข้อข้อไปข้อปรีกย่อยก็คือการที่จะต้องรู้รายละเอียดการรู้รายละเอียดนั้น เราเพียงทำความเข้าใจไม่ต้องถึงแต่การที่เราจะต้องไปจาแต่เพียงทำความเข้าใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นอัจริยะคนหนึ่งคำว่าอัจริยะนั้นคือความไม่จริงเขาเรียกว่าความอัศจรรย์อริยะนั้นไม่ได้มีเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง แต่ว่ามีทุกคนด้วยเหตุดังกล่าวเราจรึงไม่น่าจะต้องไปดูถูกใครคนใดคนหนึ่งว่าคนนั้นไม่เข้าท่าคนนี้ไม่เข้าทีอะไรต่างๆเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วนั้นไอ้ความเป็นอัจฉริยะเนี่ยในตัวของมนุษย์นี่มันจะมีจุดอัจฉริยะจุดหนึ่งจุดอัจฉริยะจุดนี้ทําไมเราจะ ได้มันและทำไมมันจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งนี้ก็เราจะต้องภาคภูมิใจของเราว่าเราคือมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ไม่ง่ายนักที่จะมีชีวิตมานั่งอยู่ที่นี่ได้การที่เรามีชีวิตมานั่งอยู่ที่นี่ได้นั้นน่ะได้แสดงอัจริยะให้เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ ทุกคนนี่มันต้องหายใจการหายใจนี่มันมีทุกวินาทีไม่ใช่ว่ามันจะขาดได้เพราะมันไปขาดระยะใดระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็คงเป็นซากศพแต่ว่ายังมีลมหายใจแล้วก็หายใจได้อยู่มาจนถึงวันนีอันนั้นคืออัจฉริยะที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจน <c oughs> เพราะฉะนั้น นอกเหนือไปจากลมหายใจแล้วมันก็ยังมีอัจริยะอะไรในตัวของมนุษย์อีกเยอะที่เรายังมองไม่เห็นแต่การที่จะไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอาศัยสมาธิจะนําอัริยะอันนี้ออกมาให้ปรากฏเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างน้อยที่สุดอัริยะหนึ่งที่เราจะต้องได้ใน การเรียนสมาธินั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจคือความสุขชนิดหนึ่งความสุขชนิดนี้นั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซื้อเอามาได้หรือว่าเราจะไปมีเงินเยอะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านฉันต้องการความสุขตรงนี้ อ่ฉันขอซื้อหน่อยสิซื้อไม่ได้เรื่งรานี้เราจะซื้อเอาไปไม่ได้คุณอยากจะได้ใช่ไหมคุณมีเงินหมื่นล้านแสนล้านนะคุณอยากได้ใช่ไหมอยากได้คุณต้องมาทำเอาอ่าคุณจะ <c oughs> ใช้อำนาจอะไรมาเก็บเอาหรือว่ามาอ่อจะใช้อำนาจก็ดีหรือว่าจะใช้เงินก็ดีมาแลกเปลี่ยน ในอัจริยะอันนี้เอาไม่ได้แต่เราได้ทำจริงอัจริยะนั้นขึ้นกับตัวของเราแล้วคือความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจทะนี้ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจเนี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปช่วยอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะช่วยอะไรได้บ้าง มันก็ช่วยให้เราเกิดความชุ่มชื้นหรือว่าแ่มชื้นจนกระทั่งมีคนบางคนได้ออกอุทานมาว่านักศึกษาทั้งหลายที่มาเรียนสมาธิกันในขั้นแรกดูหน้าสาก็ไม่ค่อยจำมใสแต่เมื่อเรียนเข้าเรียนเข้าเกิดความจ่มใสขึ้นคือหมายความว่า เรื่องของใจเนี่ยมันจะแสดงออกมาทางภายนอกอย่างพระพุทธเจ้าเราเห็นอยู่ว่ามีแหลมแหลมอยู่ข้างบนเนี่ยเราก็นึกว่าอะไรเวลาสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล้วไปทำแหลมแหล ม, แหลมข้างบนทำไมอันนั้นคือรัศมีรัศมีที่เกิดขึ้นจากดวงจิตของพระองค์ที่บริสุทธิ์ก็เหมือนกับไฟเนี่ย ที่ลุกขึ้นเป็นกระแสมนุษย์ทั้งหลายสามารถมองเห็นได้ทุกคนอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> มีคราวหนึ่งท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรคืออาคภาษะวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าอาคภาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านั้นเครั้งแรกท่านไม่ได้มาเป็นชาวพุทธ แต่ว่าท่านเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธศาสนาที่พระสารีาบุตรนับถืออยู่คือศาสนาของสมชัยเวรัตถบุตรในสมัยนั้นเ <c oughs> มื่อท่านได้เดินทางมาก็มาพบพระอัชชิพระอัชชินั้นจะเป็นหนึ่งในห้าของปัญจวัคคี ปัญจวัคคีนั้นจะมีห้าคนคือห้าองค์คือท่านพระโคทัญญะหนึ่งท่านวัปปะสองท่านพัทธิยะสามมหานามะสี่อัศฉชิห้าเมื่อท่านได้ไปพบพระอัศฉชิท่านก็มองดูหน้าท่านบอกว่าสมณะองค์นี้ทมไมถึงผ่องใสนักซึ่งตั้งแต่เห็นมานี่ไม่เคยมีใครที่หน้าตาผ่องใสเช่นนี้ เพียงเพียงเห็นความผ่องใสของท่านพระอศัศจริานั้นท่านพระสารีบุตรก็ยกมือไหว้แล้ว ย, นะยังไม่ได้ฟังคำนะยังไม่ได้ฟังคําสอนอะไรทั้งสิน้นแต่เพียงได้เห็นโฉมโฉมหน้าและความผ่องใสของท่านก็เริ่มใสเพราะว่าท่านรอาอัจิชท่านมีจิตใจบริสุทธ พระท่านได้ทำสมาธิมาแล้วแลวท่านมีจิตใจบริสุทธิ์ก็เลยทำให้ร่างกายของท่านนั้นเกิดอาการของใสขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอัจฉริยะต่างๆเนี่ยเราจะไปดูถูกตัวเราเองว่าฉันเนี่ยมีบุญน้อยวาสนาน้อยมันเป็นเช่นนั้นไม่ได้ บุญน้อยว่าสนาน้อยก็ต้องไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เศษมันต้องมีบุญมากมันถึงจะเกิดมาเป็นเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความเป็นอัจฉริยะในตัวแต่ว่าอัจฉริยะนี้ได้ถูกปิดบังหรือว่าถูกกระแสต่างๆที่มันเข้ามากระทบโดยที่บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ประมาท แล้วก็เลยเมื่อกระทบไปแล้วก็เกิดการคุ้ยแขวะขึ้นเมื่อเกิดควารคุ้ยแขวะขึ้นมันก็เลยทําให้กลายเป็นมิจฉาทิฐิไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจว่าความเป็นมนุษย์นี่มันมีความสมําคัญก็เลยไปทําความชั่วทาสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นต่างๆนั่นอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่า แม้อัจฉริยะก็จริงแต่ว่าถูกบทบังรละว่าถูกทำลายด้วยเหตุสิ่งหนึ่งคือกิเลสอาการทาลายนั่นไม่ใช่ว่าเราคิดว่าคนอื่นจะมาทำลายเราไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าตัวของเขาเองเป็นผู้ทำลายตัวเขาเองคือว่ามันเกิดจุดดำขึ้นในจิตเมื่อเกิดจุดดำขึ้นในจิตแล้วมันก็เลยทําให้ เออความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้คนที่บุคคลผู้นั้นเนี่ยเห็นผิดไปตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไป บ, บทบางอัจฉริยะที่เขามีอยู่อย่างน่าเสียดาย <c oughs> แล้วก็จะอันนี้ก็พูดไปเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างนึงว่าวันนี้เรากําลังพูดถึง เรื่องอาการหยุดเราเขียนว่าการไหม่ตกไหม้ขอให้แล้วให้เด้านี่ดีการ ไ, มไมาาห <laughs> รไม่บริกรรมกำหนดความหยุดคือว่าขั้นตอนนี้จะลำดับให้ฟังว่าเบื้องต้นเราได้ บริกรรมนี่ขึ้นตน้นพอบริกรรมแล้ว เ, เป็นหลัก อ, อหลักต้นแล้วคล้ายๆก็ว่าเราจะทยานวิ่งอย่างเงี้ยมันมีหลักพอหลักต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มาหลักที่สองแสดงว่าถ้าไม่บริกรรมไม่ได้จะทํายังไงเสียจะหนีจากทางนี้ไปไม่ได้ต้องเดินทางนี้แน่นอนอย่างนี้จะเรียกว่าคําบริกรรม คำบริกรรมเป็นความจําเป็นความบริกรรมเป็น อ, อที่ได้พูดมาแล้วอย่างว่าอ น, นุพุโทโธนั้นอะ่ะคือคําบริกรรมแต่การบริกรรมมันไม่ใช่ในพุทธโทอย่างเดียวแต่นั่นคือเรื่องของการบริกรรมพอบริกรรมแล้วหลวงพ่ออธิบายว่าบริกรรมนั้นคือเบื้องต้นเบื้องต้นก็หมายความว่าตั้งหลัก แม้การเราจะกระโดดนี่เราต้องสร้างหลักเราจะวิ่งเราต้องสร้างหลักแล้วทีนี้ต่อไปก็มาออพอเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่อไปก็มาเป็นความจําเป็นว่ามันจําเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้ก็ถือว่าอย่างไรเหมือนกันอย่างที่ว่าเ อ, อเราจะสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีไม้ มันทําไม่ได้ทํายังไงมันก็ทําไม่ได้อนั้นเป็นความจาเป็นไม่มีเหล็กไม่มีปูนไม่มีเออสิ่งก่อสร้างมันทําไม่ได้อือเหนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาถึงความหยุดอย่างเราสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเรายังจะไปสร้างมันอีกเราจะไปต่อมันอีกมันก็ไม่ถูกหยุดมันก็ต้องหยุดเสร็จมันก็ต้องเสร็จเสร็จแล้วมันก็ต้องหยุด เราสร้างบ้านหลังนี้เราสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังจะไปทีตะปูมันอีกเหรือหรือว่ายังจะเอาอะไรไปทามันอีกมันก็ไม่ได้มันจำเป็นต้องหยุดหยุดก็คือหยุดถ้าต้องการอยากจะเ อ, อทำอีกเราสร้างใหม่อีกหลังหนึง่งอย่างนี้เราเมื่อมันเสร็จแล้วก็ต้องหยุดถ้าเราต้องการจะสร้างใหม่อีกหลังหนึง่ง เตร็จแล้วมันก็ต้องหยุดอีกถ้าหากว่าไม่หยุดเกินไปเคือว่าไม่เดินหนทางกลางไม่เดินในทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นาาการบริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราทำเกินไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่แค่ที่สุด ทำไมถึงอยากเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าอาหารมันก็ดีที่สุดแต่กินมากเกินไปมันก็แย่ที่สุดอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดเหมือนกับเ อ, อว่าไปตามนิยายว่าตาจูชกไปกิน อ, อ, อาหารมากเกินไปจนท้องแตกตายอย่างนี้เป็นต้นอ่ามันก็ไม่ได้แต่ทีนี้ เวลาที่จะหยุดมันก็ต้องรู้จักเวลาที่จะหยุดไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็อยากหยุดก็หยุดอเช่นอย่างสร้างบ้านยังไม่ได้ทําหลังคาเลยฉันบอกว่าเสร็จแล้วก็คุณก็ลองไปนอนที่ว่าสร้างบ้านอ่ะยังไม่มีหลังคาอแล้วคุณก็ไปนอนทีมันก็ตาฝนตาฝนแล้วก็มาโทอดเราว่าไหนบอกให้หยุดล่ะเออไหนบอกให้หยุดล่ะท่นก็หยุดแล้วเจ๊ มันก็บอกให้หยุดเก่งแต่ว่าให้สร้างลังคาให้สร้างอันนั้นเสร็จก่อนอบอกให้หยุดแต่ว่ายังไม่ทันทำลังคาแกก็ไปหยุดแล้วแกไปหยุดฝนตกลงมาใสแดดออกมาใสก็ถูกแล้วก็มาโทษอาจารย์มาโทษครูว่าเนี่ยบอกให้ชั้นหยุดแล้วทําไมฝนมาตกใส่ชั้นอนะ่ะก็เพราะว่าทํายังไม่ทันถึงที่มันอันนี้อันนี้พูดกันอย่างชัดเจนว่า เมื่อเวลาที่เราบริกรรมไปเนี่ยมันจะมีที่หยุดเรียกว่าที่หยุดที่หยุดนั่นก็หมายความว่าเป็นเวลาที่เราควรนิ่งควรนิ่งก็คือว่ามันเกิดความสบายมันเกิดความอะไรเกิดความระยิบระยับความนุ่มนวลความเหมือนละอองน้าความโล่งโ้องความดุจเจาะ ความเหมือนตัวหายความ เ, เหมือนตัวหายรวกะวนกวายลึกๆเบาเป็นไม่นะไอ้นี่พิมพ์มตกละกระวนกระวายได้ไปหยุดได้ยังไงแก้ตัวนี้แก้โหตัวเดียวเท่านั้นละเสร็จเลยแย่คนพิมพ์เนี่ย น่ารบกวนความไม่กวนขวายลึกๆความเบาเป็นหุดกะปุยฝวายความพุ่งลอยความแจ้งสว่างความสุขสบายเหมือนกับความครอบด้วยแก้วความมีสีสันความแหลมคมความจริงจังความลอยละล่องความชุ่มช่ำความหมดกังวลความลืมหายใจความปล่อยวาง ความสูงส่งความเรียบร้อยความรับขาบเหมือนหน้ากลองความเพลมฟรีความหายชะโงนสนเท่ถ้าเกิดขึ้นต้องหยุดต้องหยุดไปถึงนั่นต้องหยุด <c oughs> ทีนี้อ้ที่พูดไว้นี่อ่ะมันเพียงหนึ่งเอ่อหนึ่งในพันที่มันจะเกิดขึ้นในระยะของจิตแต่ว่าพูดเอาไว้เพื่อให พอเป็นที่น่าสังเกตว่าจิตของเราเมื่อไปถึงระยะนั้นแล้วหยุดให้หยุดซะแต่การหยุดนั้นไม่ได้หมายความว่าหยุดเลยคือหมายความว่าหยุดหยุดเฉพาะสังเกตแต่เวลาที่หยุดนั่นต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าเวลาที่หยุดนั้นจะ ไม่ได้เสียให้พลังจิตยังจะมีการเพิ่มพลังจิตมากกว่าการบริกรรมอีกทีนี้หยุดนั้มาหยุดยังไงจะต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าหยุดอยู่ที่ตัวผู้รู้เขาเรียกว่าหยุดนิ่งหยุดนั่นน่ะแม้จะหยุดบริกรรมแต่จิตนิ่งอยู่ที่ผู้รู้ <c oughs> พลังจิตก็จะเกิดตลอดเวลา คำว่ารู้อยู่เนี่ยดังนั้นเมื่ออาการที่จิตได้ถึงที่หมายคื อ, อการทำอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะต้องมีที่หมายไม่ใช่ว่าทำไม่จบการทำน้วมันต้องมีการจบทำแล้วไม่จบเขาชื่อว่าทาไม่ทำงานไม่เป็นถ้าทำงานไม่เป็นมันทำไม่รู้จักจบ ถ้าทำงานเป็นแล้วมันก็รู้จักจบเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็ให้ใช้การควบคุมจิตให้นิ่งแม้จะหยุดบริกรรมแต่จิตนิ่งอยู่ที่ผู้รู้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าหยุดบริกรรมแล้วจะไม่เกิดพลังยังเกิดพลังแก่จิตจะมีมากขึ้นเยีะด้วยแต่ต้องทำนิ่งอยู่ในผู้รู้นั้น และในขณะที่นิ่งอยู่นั้นน่ะมันอาจจะเพียงนาทีหรืออาจจะเพียงห้านาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นอันก็ถือว่าเป็นการหยุดที่ถูกต้องและเมื่อเวลาที่จะ เ, เริ่มใหม่เราก็เริ่มตั้งต้นใหม่ไม่ใช่ว่าเมื่อเราหยุดบริกรรมแล้วออพอมันนึกคิดขึ้นมา พอนึกคิดขึ้นมาแล้วเราก็เ อ, อกลับหมายความว่ากลับมาตั้งจิตในที่ตรงเก่านั่นแหละเพื่อจะให้มันนิ่งเพราะว่ามาตั้งที่ตั้งที่หลังเนี่ยมันกลายเป็นในสัญญาไปแล้วเคยกลายไปว่าเราไปคิดเอาเองว่าจิตมันนิ่งนั่นไม่ได้อันนั้นมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าไม่ว่าจะ ก, การทําอะไรทั้งหมด เมื่อเราทำจบแล้วเมื่อเราจะทำใหม่มันก็ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างนี้เพราะว่าเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการทำผิดนี้เราจะต้องดาเนินกันไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามาทำเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ทำกันอีกแล้วอย่างนี้ไม่ได้คือเมื่อทำแล้วก็ต้องสอนเนื่องกันไป เมื่อตอนเรื่องกันไปแล้วนี่ผลที่ออกมาเนี่มันจะออกมาดีแล้วก็เมื่อจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องตั้งต้นใหม่คือตั้งต้นแบบที่ว่าเราตั้งยังไงเราก็ต้องตั้งอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดความหยุดนี้ต้องไม่เข้าตัวเองต้องแน่เออมันจะเข้าไปถึงที่ที่ ที่จิตมันจะสงบอย่างนี้ถ้าหากว่ามันสงบตรงนั้นแล้วนี่เมื่อเราใช้ผู้รู้นี่เป็นผู้ควบคุมเพื่อไม่ให้จิตมันเข้าผวังไปเร็วหรือให้จิตมันเข้าฌานไปเร็วเราพยายามที่จะควบคุมด้วยความรู้ครั้งแรกเนี่ยเราควบคุมด้วยการบริกรรม พอละเอียดลงมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะควบคุมจิตด้วยความรู้มันมีอยู่สองขั้นตอนคือว่าขั้นตอนที่ว่าควบคุมด้วยการบริกรรมอันนี้เป็นการควบคุมแบบหนึง่งและควบคุมด้วยผู้รู้นี้ก็จะมาละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อควบคุมด้วยผู้รู้เนี่ยก็หมายความว่า เ, เราเนี่ย ได้ทำการบริกรรมเพียงพอแก่ความต้องการแล้วเมื่อเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่จะควบคุมจิตอันนี้ให้ดำเนินการต่อไปเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาต้มลูกจิตของหลวงพ่อได้หมายความว่า อาจจะมีคนมาขัดแย้งตรงนั้นขัดแย้งตรงนี้อพาการคุยเขวเอสมัยนี้เขาเรียกว่าต้มกันเหมายความว่าโกหกกันหรือว่าหลอกกันเพราะฉะนั้นจึงระดับขั้นตอนมาให้เลยเรียกว่าขั้นตอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เอถูกต้องที่สุดเมื่อเราได้ขั้นตอนอย่างนี้แล้วเนี่ยเรา จะเดินทางไม่ผิดเรียกว่าไม่ผิดแน่นอนอันนี้คือการกำหนดความหยุดที่อธิบายมาในวันนี้แล้วก็ละครั้งก็ดีแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็เป็นนี่นักศึกษาอยู่ว่าจำเป็นจะต้องเล่าเรื่องเดินทางไปหาหลวงปู่มั่น พระอะไรทั้งจะต้องเล่าเพราะว่ากว่าจะได้ไอ้ตัวหนังสือนี้มากว่าจะได้คำแนะนำมากว่าจะได้มาคุยกับนักศึกษาในเรื่องของสมาธิที่เออเป็นขั้นตอนถูกต้องดำเนินการติตไปโดยที่การไม่ผิดพลาดเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยต้องถือว่าแสนยากลาบากอ่า เพราะฉะนั้นพระอาจารย์กงมาท่านก็รักหลวงพ่อเพราะว่าปฏิบัติท่านถึงอกถึงใจแต่ใครจะปฏิบัติอาจารย์ดีเท่าหลวงพ่อเนี่ยในบรรดาพระก็หายากแล้ว <c oughs> จะให้ทําอะไรเนะ่ะให้เหลาไม้เช็ดก้นก็ยอมทาอ่าแล้วเหลาเหลาไม้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีกระดาษทิชชู่ไม่มีจะไม้แล้วจะต้องเหลา เหล่าเนี่ยมันมีคมก็ไม่ได้เดี๋ยวไปบาดต้องเหล่าดีๆเหลาแล้วเราต้องมาถูของเราดูดูมันเป็นยังไง <c oughs> มันดีแล้วก็เอาปีหนึ่งปีหนึงก็ต้องเหลากันหลายรอยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านก็ต้องรักเมื่อรักลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ขอร้องก็ต้องทาให้บอกว่าพาผมไปหาหลวงปู่เทอย่างั้นไปก็ไป เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปถึงนี้ขยากรัรมพุธเทือสองดาวพอไปถึงนั่นแล้วเนี่ยพระอาจารย์ท่านบอกว่าเอ้ยวิทยามวันนี้ขึ้นไปนอนวัดสักวันเนอะเรานอนดินมาหลายวันแล้วเอาอยัางไงก็เอาแล้วอันนี้ก็พอดีไปเจอวัดหนึ่งเขา้า พอเจอแล้วท่านอาจารย์เข้าไปเจราจาร <c oughs> เจราจาเสร็จแล้วโอ้ยเขารู้ว่าเป็นพระอาจารย์คงมาเขาดีใจใหญ่จเจ้าอาวาสลงมาต้อนรับจัดแจงหาที่ทำที่นอนให้อย่างดีที่สุดคือว่าอย่างดีก็เขานั่นล่ะรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นเลือดทั้งนั้น <c oughs> รู้จักตัวเลือดไหม ตัวเท่านี้โอ้โหมันขึ้นมาโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนั้นอนดินดีกว่ามันอยู่ไอเพราะว่าไม้กระดานเขาปรับแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นมันก็ปรับมันก็ห่างห่มันมันอยู่ตามหลืบเนี่ยพอเวลาเราไปนอนเนี่ยมันขึ้นมากันเนีโอ้น่าดูเหนี้เมันบอกพระอาจารย์พระอาจารย์จะทำยังไงอ่ะบอกงั้นอ่ะเอา อะไรเอาน้ำมันมาลาดให้มันหนีเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นปล่อยฮะมันจะกินกน็เห็มันกินไปอย่าง น, น, างนี้ท่านอ่ะเป็นยังไงเรารู้ไม่ได้เพราะนอนคนละห้องอย่างหลวงพ่ออย่างเงี้ไม่ไหวแน่อไม่เอาแล้วแบบนี้ไม่เอาหรอกอย่างนีน้ไม่เอามันก็ตายมาไม่เอาเมื่อตายมาปัดมันก็มาอกีก โอ้เลือดมันมากคนมากจริงๆนะอย่าทำเล่นนะถ้าปล่อยให้มนันขึ้นคืนนั่นน่ากลัวทันไม่ให้มันขึ้นนั่นก็วุฒิาสตายอ้อมผ้ามาเ <c oughs> ออเราลงเราก็ไม่นอนละคืนนั้นตกรูเลือดไม่ไหวโอ้ตื่นเช้าขึ้นมาเราต้อ ก, กระจายหมดสมภารเขาดีใจใหญ่ขึ้นต้นมะพร้าวเลย <c oughs> เอาผ้าอาบน้ำ หกขเขมรได้ก็ขึ้นต้นมะพร้าวเอามะพร้าลงมาให้เราฉันเขาบอกว่ามันไม่มีกับข้าวอะไรขึ้นต้นมะพร้าวเอามาพร้าวอ่อนลงมาท่านอาจารย์ท่านก็มองโอ้วิญญางจะทําไงเดีย่าพระท่านกินมะพร้าวมันก็เป็นอาบัติทีนนี้ท่านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาบัติยังไงก็อยังไงจะลองตัดท่าก็แล้วกัน อาจารย์รอซะสามลูกุทสิทติ์เราลูกเดียวเรากันว่าอาจารย์จะไม่ฉันแยา อ, อาจารย์อาจารย์ท่านชอบพร้าอ่อนเ <c oughs> ่ี่เสร็จแล้วเราก็ขอบใจว่าสมภารเนี่ยสนรับอย่างดี ว, วันนั้นเราก็คงฉันอาหารกับ น้ำพริกถ้วยหนึ่งแล้วก็มีปลาตัวเล็ก ๆ, ๆติดน้อมาถ้วยเดียวกับ น, น้ำพริกแล้วก็ไอผักมันก็ไม่มีเด็กวัดที่นั่นพระท่านก็ไปเก็บผักมาให้ว่าอะไรนั้นอาจารย์ก็มองดูนหน้าแล้วเห็นอาจารย์ฉันเราก็ฉันมั่งละ่ะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากวัดนั่นไปก็เขาออกจากวัด น, นั่นไปเดินก็เข้าเข้าเมืองเหมนคือเข้าพระระบองออกไปแล้วก็เข้าพระระบองพอดีพ อ, อเข้าพระระบองทีนี่ อ, อพระอาจารย์ท่านก็นขึ้นไปหาเจ้าอาวาสจะไปพักที่วัดก็พูดกันไม่รู้เรื่องที่นี่ แเราก็บอกว่าจะพักที่นี่เขาก็จะแกจะแกอะไร ก, ก็ไม่รู้จะแกก็แปลว่าหมาอะไรเงี้ยให้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดออาจารย์พูดไปอย่างหนึ่งสมภารนั่นเขาพูดไปอย่างหนึ่งเราก็นั่งจนกระทั่งบิดไปบิดมาอยู่นั่นตั้งแต่เช้าเออตั้งแต่เที่ยงจนกระทั่งบ่ายสามโงแล้วยังไม่ได้ที่นอนพูดไปยังไงเขาพูดคำเหม็น อาจารย์ก็พูดภาษาไทยก็พูดกรมงก็พูดภาษาไทยอย่างนี้แล้วมันจะได้เรื่องอะไรหลวงพ่อชักไม่ได้ความแล้วอย่างเงี้ยบอกว่าผมเอาเองอะไรกันบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้โ <laughs> <laughs> okay, อเคเขาว่าชี้ที่นูน่น <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> วันนี้จบเอเคนี้กันแล้วกันแ้วต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาเสื้อให้เกิดเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างก <c oughs> ็ขอเชิญเอชเจ็ดหนึ่งหกคุณบุตรบาทองเย็นกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะติดอยากจะ คือสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดจุดการบริการนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการทำให้เกิดความชำนาญค่ะอ่ถ้าสงสัยก็อธิบายซ้ำอีกว่า <c oughs> เมื่อเวลาที่เราบริกรรมไปเนี่ยเขาบริกรรไปนี่มันจ ะ, ะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าพอละเอียดเข้าไปหน่อยแล้วมันจะไปถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดสบาย จุดสบายตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่นึกคิดไปทําอื่นแล้วในขณะนั้นมันใจของเราเนี่ยจะอยู่ที่คําบริกรรมเท่านั้นแล้วทีนี้เราก็ปล่อยคำบริกรรมออกไปหยุดแล้วเราก็ใช้ผู้รู้คือกําหนดรู้เนี่ยรู้อยู่ที่ใจอันเดียวมันอยู่ได้เราก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการทําสมาธิแต่ถ้าหากว่า เวลาที่เราเริ่มปล่อยคำบริกรรมนั้นในขณะที่ปล่อยนั้นรู้สึกว่าพอปล่อยภาพม่อารมณ์มันจะเข้าทันทีอย่างนี้เราจะเราก็กลับมาบริกรรมใหม่ต่อแต่ก็ให้พยายามทดลองว่าเมื่อเราหยุดบริกรรมได้หรื อ, อยางอันนี้เป็นต้นกราบนมัสการค่ะต่อไปขอเชิญคุณเบนจักวัน จำเริเร่เลิศกลับน้ำใจอาจารย์ราาค่ะเอ่อสิทธ์เองเพิ่งจะเริ่มนั่งสมาธินะคะอยากจะเรียนถามว่าเวลาที่นั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าร่างกายงวนเงินแต่เมื่อมีความรู้สึกนั้นแล้วเนี่ยนะคะสมาธิก็มักจะถอนกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะแล้วจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรหรือเปล่าคะที่เป็นอย่างนั้นเน่ยก็จําเป็นต้อง ให้เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็สร้างต้นใหม่เป็นอย่า ง, งานาั้นแล้วก็ตั้งต้นใหม่อยู่อย่างนั้นนะพอพ อ, อพอต่อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นเหล่านี้มันก็จะหายไปแล้วก็เกิดเอ้ความนิ่งขึ้นมาเองเกิดสติขึ้นมาเอง <c oughs> เพราะกิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาตอนที่ว่าเมื่อบริกรรมไปแล้วเนี่ยความยึดมันจะหายไป พอหายไปแล้วชนิสติตามไม่ทันมันก็โยกเป็นอย่างนั้นค <c oughs> รับขอบพระคุณครับต่อไปขอเชิญคุณประจวบโกเมนเอกกรับนะมรด ก, การหลวงพ่อครับก็ผมขอให้หลวงพ่อได้แสดงถึงอานิสงส์ของการสร้างาพระบรมธาตุเจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุโดยสังเขปด้วยครับ ผู้ที่สร้างพระมหาเจดีย์ก็ถือว่าได้กุศลเพราะว่าเราได้ถวายสักการะต่อพระพุทธเจ้า <c oughs> มีเรื่องเล่าว่าในสมัยครั้งโน้นพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ปารินิพพานสาวกมมาสร้างพระเจดีย์ทองทองคำ เมื่อสร้างพระเจดีย์ก็เรียรายพอเรียรายเสร็จแล้วหมดทั้งเมืองพาลานสีเอาทองคํามาปิดมันยังขาดเกือเท่าฝ่ามือเนี่ยมันไม่มิดพระท่านกันเลยไปเรียรายบ้านนายช่างทองคนหนึ่งบ้านน้อยช่างทองคนนั้นเมื่อไปเรียรายบ้านนายช่างทองคนนั้นเขาก็โมโหบอกว่าทองชั้นมีแค่ฝ่ามือเนี่ย จะมาเอาทองฉันไปบอกว่าพระทัางบอกว่าไม่ได้เอาโยงมจะมีศรัทธายอมจะถวายยมไม่มีศรัทธาก็แล้วไปถ้าอย่างนั้นกระดูกพระพุทธเจ้าของท่านไม่มีที่ไว้ก็ลอยน้ำซะสิหรือว่าพระแดกดันก็ในที่สุดภรรยาได้ยินเข้า โอ้แป่ว่าอย่างนั้นบาปสายแล้วว่างั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไปให้ให้หมดเลยทางสามีเขาก็กลัวก็เลยถวายพระเกลียนท่านก็ไปไปิดทองนอพระจะดีสำเร็จทีนี้เขามีลูกอยู่สามคนเป็นผู้ชายเท่านั้นคนพี่มาถึงก็ไม่เห็นทองคำว่าพ่อทองคำไว้ไหน ถวายพระไปแล้วแม่พ่อนี่ใจจืดใจจางทองคํามีเท่านี้เก็บไว้เป็นมรดกก็ไม่ได้คนที่สองมาถามทองคําไปไหนโอ้ยกูถวายพระไปแล้วอ่าโอ้ยก็ว่าเหมือนกันก็ผิดใช่ว่าแม่ไม่น่าจะถวายหมดเหลือไว้สัหน่อยไม่ได้คนที่สามมาถึงละพ่อพ่อทองคําไปไหนกูถวายพระแล้วโมทนาสาธุวัน เสร็จแล้วก็ตายกันหมดพอตายแล้วไอ้ตายช่างทองก็เลยมาเกิดในท้องอหญิงโสเภณีแล้วเขาก็เลยเอาไปลอยน้ําสมกับชื่อว่าเออพระพุทธเจ้าท่านนเอาไปลอยน้ำซสะสิไปโดนลอยน้ํำเลยทีนี้ด้วยอาศัยบุญไอ้สองคนมาเอไปอาบน้ําผู้หญิงก็เลยไปเห็นหมอ้อเฮ้ยหม้ออะไรวะ ก็บอกว่าหม้อก็เลยว่ายน้ําไปไอ้คนเห็นเนี่ยไม่ได้ว่ายคนไม่เห็นว่ายไปก่อนสองคนว่ายไปก็ไปเห็นหมอ้อโอ้เด็ดผู้ชายอะไรนั่นฉันได้ลูกแล้วสองคนกูเห็นก่อนต้องเป็นของกูออไอ้คนนึงบอกว่ากูไปจับออกมาได้ก็ต้องเป็นของกูในที่สุดกระเทียมกัน อนที่สุดสองคนเถียงกันไม่ตกลงให้พระเจ้าแผ่นดินมาตัดสินให้ว่าเป็นของคนนั้นเขาเอาไป <c oughs> เอาไปทีนี้ก็เอาไปเป็นลูกเลี้ยงพอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอจัดแจงว่าจะต้องใช้งานละพอเลี้ยงโตมาแล้วอเอาไปใช้งานก็หมายความว่าบ้านนั้นเป็นบ้านขายของค้าขายถ้าเสร็จแล้ว วันนี้กูไม่อยู่นะมึงขายของให้กูหน่อยพ่อแม่เขาก็ไปหาซื้อของในเมืองกลับมาของเกลี้ยงร้านเลยเขาก็ด่าลูกชายว่านี่ทิพไห่แล้วเอาของกูไปไว้ไหนหมดะเอากัคนซื้อหมดไงซื้อหมดได้ไงของตั้งล้านอ่าทีนก็ไปเปิดดูในแก้สิมีเงินครบไหมไปดูโอ้โหเงินมันครบหมดเอ้คนนี้มีบุญ ก็ไดยยกลูกสาวให้พอจะมีลูกสาวก็ตกทวงให้แต่งงาน ล, ลูกจริงกับลูกเลี้ยง <c oughs> ในวันแต่งงานนั่นแหละทองคำได้เกิดขึ้นที่หลังบ้านเท่าภูเขาลูกหนึ่งคนก็ไปดูให้ไปแกะดูมันเป็นทองคำจริงไม่ไปแกะดูก็เป็นทองคำจริงๆเขาเลยตั้งให้เป็นเศรษฐีทีนี้ไอ้ลูกทั้งสามคนก็ดันมาเกิดนะครับ ม, มาเกิดใหม่อีก คนหัวปีก็เป็นคนุัปีคนที่สองก็เป็นคนที่สองคนที่สามก็เป็นคนที่สามเหมือนเดิมพอเสร็จแล้วอาอยุเขาได้เจ็ดสิบเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่จะขอบวชละตอนนั้นตกลงก็ลาบวชจะบอกลูกมาว่าใครจะมีบุญรักษาภูเขาทองคำนี้ได้เขาก็ให้คนพี่ต้องดูแลน้องหน่ย ไปถึงแกรองเอาจอบไปสับซิว่าจะได้ทองคำไหมไปจอบไปสับนีบ่เหมือนกับสับหินไม่ได้แม้แต่หุนเดียวมันไม่มีบุญอา้าวคนที่สองมาขุดขุดก็ไม่เข้าอีกเข้าก็ว่าเอาจอบไปขุดหุนเดียวก็ไม่ได้อา้าวคนที่สามมาขุดคนที่สามขุดเจวกเหมือนขุดหยวกพวกแกอาศัยน้องเลี้ยงไปกันแล้วการเรื่องจะจบทนันีีไม่งั้นยาวไป กับนักการัาต่อไปขอเชิญคุณประชาทัศนะบัรจง <c oughs> าการสมัชชการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติน้อยก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับเออลงุงหลวงพ่อครับผมอาจจะถามไม่ได้ถามตรงเรื่องรมาธินะครับเออผมถามเรื่องเกี่ยวกับว่า กานใส่บาดแล้วเราเรากรวดน้ําเนี่ยฮะมันถึงผู้ผู้ตายหรือผู้ล่วงรับหรือญาติเราหรือเปล่าฮะอาจารย์ผมไม่ไม่เข้าใจว่าการกรวดน้ำนีถ่ถึงถึงยังช่วยอธิบายด้วยครับออขอบคุณนกครับทาบุญกรวดน้ําก็ถึงทาไมากรวดน้ําก็ไม่ถึงสมัยก่อนนั้นมีญาติของพระเจ้าพิมพิสารปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นทําบุญกับพระพุทธเจ้า แต่ชาติก่อนนั่นอ่ะให้พวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารนี่ยมันไปกินของพระเอ่าหมายความว่าเวลาเขาเอาของมาทําบุญเนี่ยดันไปกินซะก่อนหมายความว่าเขาเอาของมาให้เนี่ยเป็นแม่ครัวเนี่ยเออฉันก็ทำกินซะก่อนแล้วก็เอาไปถวายพระทีหลังอันนี้ก็เลยเป็นบาปกรรมตายไปเป็นเปรตแล้วกลางคืนมาก็มาร้องขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารก็เต้าใจผีมาหลอกเรืออะไรเงี้ยอ่าก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคืนนี้มีพวกมาลองโหยหวนมันเรื่องอะไรกันพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นเปรตต้องการอยากจะมาขอส่วนบุญแต่ว่าเวลาที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วก็ไม่ขวดน้ำให้เขาก็เลยไม่ได้เขาก็เลยมาร้อง เพื่อที่จะให้เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ให้มีความรู้สึกร <c oughs> ุ่นขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกให้แท้ถวายทั้งจีวรทั้งอาหารทุกอย่างหมดเกือดน้ำพวกเบสเหล่านั้นได้รับส่วนบุญก็เลยได้เกิดเป็นเทพจบค อ, อนุมัตการสองเรื่องแล้ว ต่อไปคุณประชารมยานนการสมัมสการอาจารย์ครับกตผมอาจจะมีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาจจะเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อยนะฮะไม่ตรงทีเดียวคือว่านักศึกษานะฮะที่เรียนหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยนะครับประมาณเก้าสิเเซ็นในที่นี้เนี่ยถ้าเก้ดเป็นความผิดของผมนะฮะถ้าผิดพลาดระการใดขอไปด้วยอาจจะต้องประกอบอาชีพเป็นประจำวันนะครับ ไม่มีเวลาที่จะทบทวนความรู้สมาธิที่ได้รับฟังไว้นะฮะหลักสูตรที่งลึกซึ้งเท่าใดก็ยิ่งอาจจะลืมเลือนไปได้ขอากราบเรียนถามอท่านว่าจะทําเป็นหนังสือคําถามคําตอบนะฮะเรื่องสมาธิตามหลักสูตรเนี่ยจะลักษณะของการขายจะได้ไหมครับผมอันนี้ก็รับไว้พิจารณาว่อาจจะเป็นคําถามคําตอบ เออขึ้นมาสักเล่มยยอย่อกกับก้อย น, นิดเดียวนะครับแล้วตากันบ้านนะครับที่ให้ทุกวันเนี่ยนะครับจะให้เป็น็้อสอบ ไ, ได้ไหมครับเออย่าย่างำถามท่าตอบเพื่อเพื่อเอาคะแนนเก็บก็ได้กาขอบพระคุณครับอ่ต่อไปขอเชิญคุณประเดิมยุวเทพากร กราบสมัชการท่าอาจารย์ครับจิตนั่งสมาธิทุกครั้งทุกคืนสม่ำเสมอบางครั้งจิตก็รวมลงเป็นสมาธิบางครั้งก็ไม่ค่อยสงบทําอย่างไรเราถึงจะนั่งสมาธิทุกครั้งแล้วจิตเป็นสมาธิได้ครับให้สงบทุกครั้งเลยนะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีสงบว่าไม่สงบว่าง <c oughs> นั่เป็นธรรมดาแต่ว่าเรื่องของสมาธินั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าวย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันเป็นสมาธิทุกครั้งเน่นับแต่วินาทีของการบริกรรมพุโทโธแต่ที่เราคิดว่ามันไม่เป็นสมาธิเพราะว่ามันไม่นิง่งหรือว่าไม่เย็นไม่สบายลงไปอะไอย่างนั้นเหตุ <c oughs> การณ์ที่มันนิง่งหรือมันเย็นสบายลงไปอย่างนั้นมันเป็นฌาน ที่จริงแล้วเนี่ยที่เราบริกรรมพุทโธแล้วเราทำสมาธิมันก็เหมือนกันไม่สงบอย่างนี้อันนี้ก็ได้พลังมากได้พลังจิตเพราะว่าการที่หายไปเลยอย่างนั้นน่ะพลังอาจจะน้อยกว่าโดยซ้ําไปเพราะฉะนั้นให้ขัดใจเช่ว่าการทาสมาธิทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่เป็นสมาธิแต่นั่นนะ่ะได้เป็นไปแล้ว เดีวยวมันจะสงบมากน้อยก็สุดแต่บางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยอันนี้มันเป็นธรรมดาต่อไปขอเชิญคุณครประนอมสิริวงศากา ร, รกราภัณฑมัธยบารหลวงพ่อค่ ะ, อ, ะอยากจะขอเรียนถามหุวงพ่อว่าหลักสูตรครูสมาธินาที่นี้อยางทราบว่าครูผู้สอนสมาธินะคะควรจะมีสมาธิอยู่ในขั้นไหนคะ ครูผู้ที่จะสอนสมาธิเนี่ยธรรมดาธรรมดารู้จักวิธีการจิตสงบบ้างเล็กน้อยก็ไปสอนเขาได้เพราะว่าหลักการเนี่ยเรามีพร้อมเราก็ดูหลักการแล้วเราก็ไปสอนเขาเพราะว่าครูผู้สอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมาธิชั้นสูงเมื่อเราสอนเขาเนี่ย เขาอาจจะมีสมาธิได้สูงกว่าอาจารย์ก็ย่อมไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเพียงรู้จักวิธีและก็จิตสงบพ อ, อสมควรเพราะว่าถ้าผ่านการเรียนไปถึงสามเทอมแล้วแน่ใจว่าทุกคนเนี่ยต้องถึงระิตสงบทุกคน <c oughs> สามารถไปเป็นครูได้ทั้งนั้นขอบคุณค่ะ ต่อไปขอเชิญคุณประพันธ์เทียนวัฒนธาดาผมก็กล่าวไปถามข้อว่าปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติต่างกันอย่างไรและสภาพเจตที่สมุกแล้วจากสองพิธีนี้ต่าง ก, กันอย่างไรอันนี้ถามปริยัติปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติ อันนี้เขถามวิมุตต์แปลว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นก็หมายถึงความเป็นพระอระหันต์อันนี้เรีย ก, กว่าถามภูมิพระอระหันต์เจโตวิมุตต์ก็สําเร็จด้วยการฝึกจิตปัญญาวิมุตต์ก็สําเร็จด้วยการฝึกปัญญาไอ้ความแตกต่างก็เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวางพระองค์นั้นท่านเป็นปัญญาที่กะเช่นอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ย เป็นปัญญาที่กะปัญญาที่กะนี่จะบำเพ็ญนะบารมีแค่สี่อสงขขยจบแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นนั้นเนี่ยกว่าวิริยาที่กะอันนี้จะต้องถึงแปดอสงขขยหรือสิบหกอสงขขยถึงจะจบเพราะฉะนั้นเจโตวิมุตตเนี่ยต้องการที่จะช่วยประชาชนให้เยอะท่านก็เลย ทำเป็นเจโตวิมุตตแต่เพื่อให้ช่วยตัวเองมากได้ช่วยคนอื่นน้อยหน่อยก็ใช้ปัญญาวิมุตตาตอบได้ท่านนี้ครับคร่ตอบไปขอเชิญคุณประพัน์รมยานนกล่าวณมสการพระอาจารย์กัผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเมื่อคนเรานะฮะตายไปแล้วนะครับร่างกายนะฮะก็คือกายหยาบเลยนะฮะ ย่อมสูญสลายไปเหลือแต่จิตกับกายทิพย์นะครับและวิ ญ, ญญาณที่ย่อตัวเหมือนดวงไฟกระผมจึกเรียนถามว่ากายทิพย์เนี่ยนะฮะจะทำงานอะไรในเมื่อกายหยาบได้หมดสภาพไปแล้วครับมาถึงตอนนี้ก็จะพูดให้เข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ทั้งสี่ประการนี้เมื่อกายอยากแตกสลายแล้วก็จะย่อตัวลงไปอยู่ที่จิตก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเมื่อเหลือจิตดวงเดียวแล้วก็พร้อมทั้งนีกายทิพย์ก็อยู่ที่นั่นเมื่ออยู่นั่นแล้วเมื่อกิเลสยังไม่หมดจิตวญญาณดวงนี้จะต้องไปเข้าสิงสถิตเกิดเกิดใหม่ พอการไปเกิดใหม่นี่ก็ต้องอาศัยเนี่ยบุญกับบาปเมื่อบุญกับบาปนี้นำไปทางใดเวลาจวนตายนี่นึกถึงบุญได้ก็ไปสู่ที่สุขเมื่อจวนตายนึกถึงบาปก็ไปสู่ที่ทุกข์แต่บุคคลผู้ที่ได้ทำสมาธินั้นสมาธิจะเข้าช่วยเมื่อเวลาชีวิตจะดับเนี่ย เพราะว่าการทำสมาธินั้นสมาธิไม่ได้หนีไปไหนพลังก็อยู่อย่างเดิมก็จะอยู่ที่จิตนี่เพราะฉะนั้นเวลาตายนี่เกิดความสว่างเกิดขึ้นผู้ที่ทำสมาธิก็มีทางที่ไปในทางที่สุขอย่างเดียวเพราะสมาธิพอเวลาจิตจะดับพับเนึ่จะเกิดสมาธิขึ้นทันที เมื่อได้ทำสมาธิไว้จ บ, อ, บ, บอีกคนเหรอเอาอีกคนนึงให้ได้คบสิขอเชิญคุณประพิศแสงจันขอากราบนำมัส ก, การพระอาจารย์ครับติดมีสิ่งที่คาใจมาเป็นเวลานานแล้วนะครับพเพราะเคยปฏิบัติตามหนังสือยวไม่มีอาจารย์ก็เลยอยากจะขอเรียนถามท่านว่า เคยนั่งสมาธิพอสงบแล้ว น, นะครับสักพักหนึ่งเมื่อมีไปายฉายเข้ามาที่หน้าอกนะครับระหว่างท้องพอเห็นลำไส้นะตกใจตื่นลุกขึ้นมาเลยครับ <c oughs> ถ้าเจอแบบนี้จะปฏิบัติยังไงถ้งจะถูกต้องครับผมแสดงว่าพลังจิตเกิดเร็วอ่ะ <c oughs> แต่ว่าสติตามไม่ทันทจริงๆแล้วนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพราะว่าไอ้อันนั้นมันจะเกิดเพอเวลานั้นจิตมันสงบพอสงบแล้วมันก็เข้าไปถึงอทิสมานกายพอเข้าอี่สมานกายมันกลายเป็นตาทิพย์เฮจิตทุงคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามันเข้าไปถึงอทิสมานกายได้ ในขณะที่ทำสมาธิมันจะเกิดตาทิตขึ้นมันก็มองทะลุไปเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะทำสมาธิต่อมาอีกเนี่ยถ้าเราจำเอเ อ, เอตรงที่มันจิตมันเข้าไปตรงนั้นได้เนี่ยเราจับตรงนั้นจิตมันก็จะก้าวไปได้รวดเร็วแต่ยังไงก็ตามเราต้องไม่ตกใจมีสติ สมัยความอย่างนี้ว่ า, าจิตมันลงไปเร็วเกินไปทีนี้ ส, สติเราามไม่ทันตกใจเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีเงินเลยเนี่ยไปถู ร, รัตตรี่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยชอบกระจายหมดอะดีไม่ดีก็ไปเลยอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีอ่ะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องตั้งต้นอย่างที่หลวงพ่อนำพาเนี่ย แล้วก็ไปถึงนั่นได้อีกก็คุณจะดีจอบ